ระวังเนะ้อกูบาทั้งหลายเนะ้อเนกูบาทั้งหลายเนะ้อสัทยา ญ, ญาติโยมทั้งหลายเนะ้อฝนจะมาแล้วนะเนี่เห็นไหมนะมันร้องเอาจริงเอาจังเหลือเกินวันนะี้มีส่วนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นให้พวกเราให้ร ะ, ระวังเนะ้อพระใหม่กูบาใหม่ทั้งหลายเพราะต้นไม้ในวัดของเรามันใหญ่ถ้าหากว่าได้ยินเสียงระวัดระวัดนมัดระวัง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 ขนาดต้นไม้โคนเนี่ยหลวงพ่อก็ยังรับรองเลยว่าฐานพระหลวงพ่อเนี่ยไม่ไม่สะเทือนเลยหรนะือว่าขนาดเหมือนกับเทต้องรองสะพานเนะี่ยเพื่อรองรับพระประธานทนะี่ว่ามันจะหนักนะ น, น, นะถ้าใครมากับวิ่งเข้ามาอยู่ในะใต้ถุนฉลาเนี้ยเข้าไปในห้องอห้องแท่นพระก็ได้เ อ, อถ้ามันลมแรงจริงๆนูนสะพานใต้ถุนสะพานนะ เ, เข้าไปอยู่ใต้ถุนสะพาน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 ฝนตกมันเปียกแล้วก็พอฝนหยุดแล้วก็กลับกุฏิถ้ามันอยู่ใกล้ค่ำเนี่ยวิ่งโป๊ดมาก็เอาไฟฉายมีถุงพลาสติกตือหลวงพ่อเตือนแล้วอย่างนี้เนะ่เตรียมถุงพลาสติกไว้แหววิ่งออกมาเน่นนะยใส่ผ้าพลาสติกผ้าพลาสติกใส่ไฟฉายมัดให้ดีหาที่กำบังเตรียมร่มเอาไว้ร่มร่มไฟฉาย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 ทำมันมีลมแรงะอทํา ม, มากกว่านั้นกว่านั้นออกไปทั้งสวนป่าลำใหญ่นะไปเพิงอยู่ข้างกําแพงตรงใดตรงหนึ่งก็ได้อยู่ป่าลำใหญ่จะไปยืนอยู่ซั้นเกี่ยวเข้าชะลาใหญ่นะชะลาใหญ่ก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันนะหลังนั้นอนะ่ะพรอมันลมแรงมันหมุนอาจจะหลังคาเปิดก็ได้ลมแรงแรงจริงๆนะลูกหลานนะอันนี้บอกความปลอดภัยเอาไว้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 โซนร้อนจะเข้าอีสานวันนี้แหละวันหรืวันพุ่ง น, งนี้เข้ามาทางจังหวัดเลยน้องอุดรแต่เราดูดูก็ไม่มีวี่แววนะวันนี้นะยังไม่มีอะไรมีแต่เสียงชนีสมชัยมันเตือนเท่านั้นแหะไม่ใช่ว่าเตือนลมเตือนแรงก็ไปราบเหมือนกันให้ฟังๆเอาไว้นะขณะเราจะลงจากบ้านอนะจริงจบมันทักไปโยนคนโบราณก็ให้เรามัดระวังอจิงจบมันทักกนะัะ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 วนนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะอย่าไปพึ่งพาอาศัยมันมากเกินไปออาศัยไปด้วยหาหาทางออกไปด้วยเออเหมือนกับเราอยู่ในเรืออย่างนั้นแหละมันเราอยู่ในเรือแล้วก็มองหาฝั่งด้วยเราจะไปทางไหนมันใกล้ทางไหนไม่มีคลื่น อ, อทางไหนมันปลอดภัยทางไหนมันจะดีกว่านเนอมื่อเรานั่งอยู่ในเรือนะอันนี้ก็เหมือนกันนะเร า, านั่งอยู่ในธาตุสี่ ในร่างกายของเราเราจะไปชลาใจเราจะไปนอนใจกับธาตุสีดินน้ำห ล, ล่มไฟเกินเกินไปไม่ได้นะ เ, เราต้องหาทางออกหาทางออกคืออะไรให้ภาวนาให้ประกอบคุณงามความดีให้รักษาศีลให้ทานรักษาศีลภาวนาแล้วก็อนี่ยนะบำเพ็ญจิตภาวนาให้ผลทุกข์อย่างที่ว่า น, นะตัดกิเลสเอาถอดถอนกิเลสภายในใจออกอแล้วก็